เนี่ยนะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเข้าใจสอดคล้องกับคําสอนอ่าเขามีอยู่สองคำที่น่าคิดคราบว่ า, วาการระวังเป็นเรื่องดีการระแวงไม่ดีอะนนะการระวังตัวเป็นเรื่องดีใช่ไหยทั้นการระวังตัวนี่ดีบอกระวังใจดีกว่านั้นอีกเนี่ยนะถ้าระวังใจของเราถูกต้องเราจะดีกว่านั้นอีกเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเจริญนั้นเจริญผิดหรือเจริญถูกเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าหากว่ารู้อะไรตั้งแต่ต้นลมนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยนะ ม, นมันก็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 ผู้ตามพระพุทธเจ้าพูดว่าผู้ไขประโยชน์ตนเราคือผู้ไขประโยชน์ตนเราต้องการไม่รับประโยชน์ที่แท้จริงเราเข้ามาในศาสนาเราต้องการประโยชน์ไม่ใช่หรือเราต้องการประโยชน์อะไรประโยชน์โลกนี้เราก็ได้จากหน้าที่การงานอยู่แล้วแต่ที่เราเข้ามาศึกษาพระศาสนาเราต้องการประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแล้วอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าประโยชน์โลกหน้าเราได้แน่นอนแล้วเป็นหนทางเพื่อให้ถึงประโยชน์ อย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เรารับผิดชอบตัวเราเองเมื่อเรารับผิดชอบอย่างนี้ปั๊บย้อนกลับมาหาสารณะของเราเลยสารณะของเราว่ายังไงกลับมาหาพุทธังสารานังขจฉ า, ามีเถอะเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายของเราเวลามีกิจกรรมอะไรก็มีนโมพุทธังทำมังสังทังสารานังขจฉ า, ามีสมาทานศีลเขาบอกว่าถ้าหาอะไรลงไม่ได้นะกลับมาลงเรื่องนี้เถอะอย่าคิดนะว่าเรื่องนี้โบราณท่านทําไว้ช่วยช่วยห ย, ยาบหยาไม่บอกดีที่สุดประเสริฐที่สุดไม่ผิดพลาดที่สุด ก็คุยกันว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าสายตรงโดยที่ไม่มีผิดพลาดเนี่ยทําไงถ้าหากว่าตั้งคําถามนะบอกไ ม, มไม่มีผิดเลยไม่มีพลาดเลยนั่นแหละไปปฏิบัติตามที่สวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือพระาศาสนาแหละนั่นคือคือท่านหยิบข้อความที่พระพุทธเจ้าประสงค์มาให้เรามาสวดมาย้ำเนี่ยทําตามความเข้าใจทุกบทเลยเ อ, อตั้งแต่นโน่นแหละจนตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายที่สวดไปเมื่อกี้ทั้งหมด ท่านมันไม่ได้เกินจากนั้นไปหรอกเพียงแต่ที่เหลือหารายละเอียดปรับความรู้ปรับทัศนคติทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามนั้นไหมเนี่ยนะฉันอยากจะขับเน้นแนะนาเรื่องสมาธินิดหนึ่งว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะเพราะหลายๆคนก็บอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติ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 เอาพูดนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะไม่ใช่พูดผ่านๆพูดแบบถากทางเน็บแนวไม่ใช่นะพูดเอาจิงอะเนี่ยอาถามว่าผู้มีกรรมเป็นของตนกรรมไหนกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นของตนสิ่งที่เราทำคือสมบัติของเราขณนะสมบัติได้ทั้งชื่ออยู่แล้วใช่ไหมแต่เอาแต่เอาทั้งสิ่งที่ทำด้วยเอาสิ่งที่ทำก็เป็นของเราสิ่งที่เราพูดก็เป็นของเร า, เ, านะเป็นของตนจริงๆความคิดทุกความคิดนี้คือ สมบัติของเราเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมอันเนี้ยคือสมบัติของเราแท้ๆพรานพระพุทธเจ้าสอนว่าเลือกทำขั้งกายกรรมเมจีกรรมและมนโนกรรมพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธบิดาเลยนะพระพุทธบิดาตอนที่พราองค์ไปโปรดขั้งแรกพิคุเบลพัรเนี่ยนะพระองค์บอกว่าเพึงประพฤติให้เป็นสุจริตเนี่ยนะพระองค์สอนให้ทําให้ทําสุดจริตนะให้เจริญที่เป็นเรียกว่าสุจริตเพราะสุจริตกรรมเนี่ยนะ เป็นสมบัติของตนแท้ๆจริงเนี่ยนะครในพระศาสนาเรานั้นจึงขับเน้นเรื่องการเจริญกุศลกรรมทั้งที่เป็นกายสุจจริตและวจีสุจจริตแต่ทีนี้คําว่ากายสุจจริตนี่ทํำยังไงนะวจีสุจจริตเป็นอย่างไรถ้ากายสุจจริตวจีสุจจริตไม่ใช่ปัญหาแต่มโนสุจริตล่ะมโนสุจจริตนั้นคือตัวอานาพิชชาตัวอัพยบาทและตัวสัมมาทิฏฐินะตัวสภาพที่ไม่โลภนั่นคือความสุจจริต ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วไม่โลภนั่นคือมโนสุจริตไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่ากโกรธแล้วไม่โกรธนั่นคือมโนสุจริตไม่มีความหลงงม ง, งายไม่โง่ไอความไม่โง้นั่นคือความสุจริตนะไอความซื่อซื่อเป็นเรื่องดีแต่ซื่อไม่ดีแต่ทีเนี้ยไอซื่อเนี่ยซื่อแต่ความซื่อที่ถูกต้องต้องประกอบกับปัญญาเดี๋วนะั้งคำว่ามีมโนสุดจริตคําว่าบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคํานี้สมัยใหม่เขานิยมใช้มากว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจ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 ความชอบเป็นความจริงใจไหมอาภิชานี่เป็นความจริงใจไหมโกรธจริงใจไหมหลงเลยเนี่ยนะโง่ ก, ก็เลยบอกว่าจริงใจเพราะโชโลกเพราะโกรธเพราะโง่อันนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นความจริงใจอะไรเพราะนความจริงใจที่เป็นมโนสุจริตที่พระพุทธเจ้าสอนสรนเสริญว่าเป็นความบริสุทธิใ์ใจคือตัวอาณ า, า, าภิชานี่เป็นความิจอท่านความจริงใจมโนสุจิตพระพุทธเ้าสอนันเสริาเป็ควาบิิอตัวอาณาภิ่า บริสุทธิ์ใจนั้นต้องเอาตรงนี้เป็นประมาณถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าถูกกล้องแสดงว่าถูกกล้องถามว่าถูกผิดอะไรเป็นเครื่องรับรองอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบว่าผิดถูกเอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบสิงใดก็ตามถ้าให้ผลเป็นสุขสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งใดถ้าให้ผลเป็นทุกเป็นทุกไม่ถูกต้องสูตรเกเรตให้ผลเป็นทุกไหม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 แต่อนาพิชชาเนี่ยไม่ใช่เจริญกับปฏิฆานิมิตนะต้องเข้าใจนะว่าอนาพิชชาไม่ได้เจริญกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาบอกฉันไม่โลภเออก็ใช่ดิจะเป็นโลภทำไมไม่ไม่ไม่น่าเอาอยู่แล้วอ่นะใครเขก็ไม่เอาอยู่แล้วนะไม่เห็นจะต้องโลภเลยแต่ทีนี้คำว่าอนาพิชชาต้องเจริญกับสุภานิมิตนิมิตที่น่าปรารถนานั่นเป็นอารมณ์ที่ควรเจริญอนาพิชชาถ้าเจริญความไม่โกรธต้องเจริญในปฏิฆานิมิตเนี่ยนะปฏิฆานิมิต ไม่แค่ว่าภาษาธรรมะท่านใช้สามคำนิยมยกย่องกล่าวถึงพร ะ, ะเถระเนี่ยนะพระเถระที่ที่ควรครบไม่ควรครบก็มีอย่างนี้ว่ า, าถ้าเป็นผู้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคือ ง, งในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงถามว่าพระเถระแบบนั้นนีิสมควรที่จะท่านก็แนะนําพระพิสุรุ่นน้องๆรุ่นหลงังๆว่าเพ่งพระเถระเหล่านั้นได้ไหมบอกไม่ได้ ทีนี้เขาก็มีในสูตรสูตรหนึ่งนะมีพวกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าไปนับถือส ม, มณะพราหมณ์ทั้งหลายถ้าอุบาสกอุบาสิกาไปนับถือส ม, มณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าส ม, มาณะพราหมณ์เหล่านั้นน่านับถือหรือไม่น่านับถื อ, อพระองค์ก็บอกว่าวิธีการเนี่ยนะพระองค์ก็บอกบอกอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นว่า ถ้าสมณ ะ, ะพวกเราเองเนี่ยเป็นผู้มีปกติกำหนับในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนับถ้ามันน่าชอบเราก็ชอบมันน่าชังเราก็ชังะนะหน้าโง่เขาเราก็โง่เขานี่คือปกติชีวิตของเราถามว่าเราต้องไปหานับถือคนประเภทนี้อีกไหมจําเป็นไหมบอกไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนั่นแหละพ่านเราต้องอการศึกษาของเราก็เหมือนกันต้องปรึกษาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความ กำนัดแต่ว่าไม่ติดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความติดไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่หลงงมงายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงงม ง, งายก็คือแต่ทีนี้ไอ้ตัวอนัพิชามีรายละเอียดเยอะนะอภยาบาทก็มีรายละเอียดอีกเยอะสัมมาทิฏฐิมีรายละเอียดมากปฏิสัมพิทานนะญาณกถานั่นคือไอ้ไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงมันเรื่องของปัญญานี่ใหญ่โตไอ้คาว่าไม่หลงเนี่ยเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มาก เปรียบเหมือนคําว่าสว่างคำว่าสว่างนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพของต้นแสงเนี่ยนะว่าต้นแสงเนี่ยแค่ไหนถ้าต้นแสงคือสมมติว่าสูงสุดเลยในโลกนี้ก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมว่าสว่างที่สุดในโลกถ้าลักและเอ่อน้อยๆลงมาก็ขนาดนั้นถ้าสว่างน้อยๆเช่นพวกไฟเทียนไฟทั่วๆไปเนี่ยนะก็ถือว่าสว่างน้อยๆไปทันปัญญาก็เหมือนกันคุณภาพของปัญญาเนี่ยนะที่เราเรียกว่าไม่หลงก็คือมีความสว่าง ทางสติปัญญานั้นเราควรจะรอบรู้แค่ไหนอะไรคือสิ่งที่เขาควรรู้เราควรจะรู้เพราะฉะเราปรารถนาว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเรามีปัญญาจ ร, จริงๆแ้วเราต้องการรู้อะไรกันแนะ่ปรารถนาจะมีปัญญาเหลือเกินปรารถนาจะมีปัญญาอยากฉลาดมากอยากรู้อยากเก่งอยากนะใส่ฝันมีกุศลฉันทะมีฉันทะอยากมีปัญญาขอให้มีปัญญารู้อะไรอ่ะโอยอยากมีปัญญาจริงๆเลยนะ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 ไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักพระธรรมจะรู้จักพระสงฆ์ได้ไหมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานอริยสัจนั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมันทธาเราบอกว่าปรารถนาบรรมมลุมรรคผลอย่าง น, น, นี้ก็คือขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มันคลุมจักราวาลที่สุดนั่นเก็เลยบอกว่าถ้าจะรู้จักถ้าจะมีความรู้ขอให้มีความรู้รู้คุณของพระตถนาตายเธอใ น, นนะถ้าจะเลื่อมใสก็ขอให้เลื่อมใสน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 ถ้าปกติถ้าเลือกสิ่งที่ไม่มั่นคงมันก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วใช่ไหมพันธุ์พรตนะตรัยคือสิ่งที่มั่นคงที่สุดพูดมาซะยาวนี่ทําไมรู้ปะจะพูดว่าทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหก น, นั่นเองชาอนุสติฐานานิอนุสติคือสติที่เกิดบ่อยๆเลยเรียกว่าอนุสติอนุอนแปลว่าบ่อยสติที่เกิดบ่อยๆอนุเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นนิบาตเป็นอุปสรรคเลยนะแปลว่าอ น, นุแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าภายหลังก็ได้แปลว่าตามก็ได้ตน อ, อ, อนนี้แปลว่าบ่อยๆนะอนุแปลว่าบ่อยๆ อ, ยอ น, นุสติก็คือสติที่เกิดบ่อยมากนะบ่อยแค่ไหนดีเขาบอกว่าสมควรแก่กุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธานะบวชแบบคนมีศรัทธาหรือสมควรแก่ผู้ที่มีศรัทธาเอ า, อางี้เดี๋ยวคนที่มีความโลภเนี่ยนะตัวเองชอบอะไรนี้คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยไหม บ่อยมากเลยนะสมมติว่าคนหิวๆเนี่ยแม่อยากทานอันนั้นเดี๋ยวคิดถึงเนี่ยก็คิดถึงเดี๋ยคิดถึงคนรักหลานมากเนี่ย็คิดถึงหลานเดี๋ยวคิดถึงหลานเป็นต้นนั้นนะเพะคนชอบอะไรมันจะคิดถึงสิ่งนั้นได้บ่อยมากถ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเราจะเอาบ่อยเท่านั้นไหมต้องบ่อยกว่านั้นหน่อยนั้นต้องบ่อยกว่านั้นเนี่ยนะต้องบ่อยกว่านั้นจนกว่าจะบอกอะไรนะลมหายใจเข้าก็พระพุทธเจ้าลมหายใจออกก็พระพุทธเจ้าฟ้าผ่าก็พระพุทธเจ้าเคยมีพระโสดาวันอยู่ท่านหนึ่ง โสดาบันอยู่ท่านเนี่ยท่านเวลาจะมีแบบอะไรสักนิดหนึ่งมีอะไรกระเทือนใจนิดหนึ่งก็นโมตสระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรนิดหน่อยก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นคําที่นางพูดเป็นชีวิตจิตใจเป็นปกติสามีนี่คนละาศาสนารําคาญมากเมื่อไหร่เธอจะพูดเลิกพูดถึงสมณะล้นนั้นสัทีเธอเก็รําคาญ เพราะว่ า, าศาสนาพราหมณ์นี่เขาถือว่าคนที่โกนผมนี่เป็นคนที่น่ารังเกียจ ม, มากในวันนะ้นของเขาอ่ะนะพวกศุขเขาเรียเมื่อไห้เธอจะเลิกพูดถึงสมณะโลนนั้นสักทีหนึ่งเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่เลิกเขาบอกงั้นเพราะนางเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วท่านศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงเสุดแล้ววันหนึ่งบอกเอางี้นะเขาเนี่ยสามีก็ยังนัดถือาศาสนาของตัวเองอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งก็บอกว่านี่เธอฉันจะเลี้ยงพราหมณ์นะนะฉันจะเลี้ยงพราหมณ์เธออย่าพูดถึงสมณะโลนวันหนึ่งได้ไหมในวันเนี้ย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 เดินไปเดินมาไปสะดุดทับพีนตกนะโมตสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะโอ้พราหมณ์ที่มานั่งฉันบอกโอ้ยนี่มันมายาหลอกลวงนี่มันนับถือสมณาโคโดมอยู่แล้วมนันเชิญพวกเรามานี่มันแกล้งพวกเราชัดๆเลยพวกที่นักบวชเหล่านั้นก็เลยลุกหนีไปหมดเลยไม่ทานไม่ฉันไม่เชิญแล้วเหมือนกนก็เลยลุกหนี้ออกไปหมดเลยแหมโกรธภริยามากนี่ภริยาจะฆ่าก็ตายไม่รู้จะทํายังไงอนะด่าก็ด่ามาไม่รู้ด่าเท่าไหร่แล้ว ชักดาก่าก็แล้วถ้าฆ่าก็าตายเออมาไปด่าพระพุทธเจ้าดีกว่า <c oughs> ก็เลยจะไปด่าพระพุทธเจ้าก็เออไปเลยพรามไปเลยกันเลยไปก็บอกท่าสมณะโครดมฆ่าอะไรแล้วเป็นสุขบอกฆ่าความโกรธนั่นแหะเป็นสุขเหมือนกันฆ่าแล้วไม่เศร้าโศกตอนหลังก็ก็บวชก็เลยบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหรันต์นะะกลุ่มเครียกว่าตระกูลนี้ขี้โกรธมากแต่ก็ในที่สุดก็บรรลุ